พอดีมีอะไรกระทบตึ๊ดรู้ทันทีเลยนี่เป็นอย่างนั้นโอ้นิพพานก็หมายถึงจิตมองไว้สามารถมองเห็นอะไรได้ทุกอย่างเนี่ก็ว่นิพพานโอ้คำว่าพระเรียบบุคคลหรือพระลหันก็หมายถึงบุคคลที่มุผู้มีปกตินั่นเองถ้าหักผิดปกติไปแล้วบ้านหลวงเขเรียกว่าบ้ายอย่าพอแมวสอนว่าคนเนี่ยผิดปกติแล้วนะสมมุติเราไปดูคนป่วยนะ คนป่วยเนี่ยเราไปดูหายใจถึงทองไหมไปดูหายใจขึ้นมาถึงหน้าอกไมมไปดูหายใจมาถึงคอแล้วอ๋อิดปกติแล้วนะเนี่ยตายเลยเดืนเดือนผิดปกติเขาตายไปเนี่ยเป็นย่งไรบัดนี้ถ้าเราผิดปกติเป็นยังไงบัดนี้ครับก็ทําชั่วไปที่บัดนี้ทําชั่วพูดชั่วคิดชั่วไปทีความปกติเนี่ยจะเป็นสมบัติของมนุษย์เป็นสมบัติของผู้มีปัญญา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 แล้วก็ดีใจทำชอบใยจทำไม่เหน็ดไม่เหนื well ่อยนี่เดี๋ยวข้าทำทำงานทำการตามหน้าที่เดี๋ยวข้าทำาันถ้าทำการทำงานจิตคิดพยายามขอผีทำด้วยกันนี่ที่ผมพูดให้ฟังเป็นวิธีปฏิบัติธรรมะอย่างรักรัดอึดใจเดียวเท่านั้นองอาการเกิดดับก็หมายถึงว่าสันจะเป็นความจริงทุกคนต้องมาที่ตรงนี้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 มองหวังว่าจะทำอย่างเดียวเท่านั้นหรอย่างที่พูดแล้วมันอุดมการของคนไม่เหมือนกันบางคนก็อยากสอนคนพูดใตบางคนบางคนก็อยากสอนคนให้คนได้มีวิธีการพัฒนากันอย่างนั้นเนี่ยมันสอนไม่เหมือ น, นแต่เราเข้าไปบ้านใดหนึ่งก็าต้องทาตามเขาบางทีวอุดมการของหลวง เ, เจะสอนจุดนี้